บทภาชณีติกนิสกี้ปาจิตตี761ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่ง <traveling> ภิกษุณ like ีสําคัญว่าเป็นของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งให้แลกเปลี่ยนของอย่างอื่นต้องอบัตินิสกี้ปาจิตตีกองที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งภิกษุณีไม่แน่ใจให้แลกเปลี่ยนของอย่างอื่นต้องอบัตนิสกี้ปาจิตตี ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน e um ์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งพิสมณีสําคัญว่าไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งให้แลกเปลี่ยนของอย่างอื่นต้องอบันิสักคียปาจิตตีพิสมณีได้ของที่สละแล้วคืนมาพึงรวมกับปัจจัยที่เขาถวายไว้ทุกทุกกฎไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งพิสมณีสําคัญว่าเป็นของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์